วันนี้ไปคว้านมือแล้ว จ, จับสายยางดึงองนี้ไปไปเลยการข้ามาิ่ธรรมดาจิตมันชอบสมการข้าวมันเราภานาการกินข้าเราพังมันชอบคิดนี่เาก็เรื่องขันคุมเป็นอย่างน นกลางเมษายนเรามาใช้มาในตนเดือนมิถุนายนต้งแต่ตสต มันก็เป็นธาตุหนึ่งแต่อย่ใที่เป็นส่วนที่เยือทั้งมันที่เรียกว่าประมณนที่มันหยูด่นนั้นก็คือักในส่วนไรจะเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นในทางตุกขตาัเป็นส่วนปะกอบมันสะไหลออกมไปอันนัคจะเรียกว่าสาระนี้จะเรียกว่าประมันนุอะก็แล้ว ในนั้นเรียกว่าอะ น, าานั่นไม่เที่ยใจแล้ววางเลยเี๋ยวว่าสมเด็จพู่าอะพรมันมีการทุบตีมาแรแต่นั่นก็เปลี่ยนก็เขาประมันก็เปลี่ยนกันอยู่นั่นเองไม่ล่ มันก็อยู่ในสิ่นที่ว่าได้รับนั่นมันไม่เปลี่ยนเขากับมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องกันอยู่แา้นั่นมันดูว่าขอได้ไปมันจะละเอียดขนาดไหนก็ต่างขึ้นที่ว่าสมมุติสมมุติกับได้รับมันจะเป็นเดียวไม่ว่าอยากกลางอะไร เยาวิวี่กี่ฟังว่าเรียนจิตนะแต่พูดถึงว่าตัวชลหรือปร人ูก็ได้แต่ถ้าเราจะเทียวไปทีนีเมั่อมันมีสงข้อมาเกี่ยวข้องอ่างแล้ว่าราไม่เป็นไตรลักษได้ยงไผู้พัฒนาไม่ถืิศีก็เป็นไตรลักษณ่นั้นต้องตายนะั้นไม่มีอะไรติดแลปะปฏิบัติตอนนั้น น, นี่ นเมื่อการเม่อ พ, พ, พิจารณาก็ห้องพิจารณาตรงนั้นว่ามันเป็นเร้มามงั้นมันก็ถือไม่งั้นมันก็หล่นคือบางครัสิ่งที่เขาไปเกี่ยวข้องธรรมชาตินั้นมันฉลายไปหมดแล้วนันก็นั่นก็เป็นปัญหาอะไรจริงถ้าพูดมันจีเป็นเจริงเพราะเลยนะจริงจริงเขไปเกี่ยวข้องมันหมด ปัญหาต่้งแต่เมื่อมีกลิ่นเกี่ยวข้องอย่างกิเลสอย่างละเอียดที่ว่าวิชาเป็นต้นเกี่ยวข้องนัง้นหนิ่งจะเมื่อติดโดยสมบูรณ์ว่าไม่ใช้จะรักได้ยางไ น, นมันก็เป็นการักเพราะกลิ่นนั้นพาให้เป็นบอกกลิ่นนั้นหมดไปแล้วจากกิ่น ที่กนหมดปัญหาไม่เรียกว่าจะรับแต่แล้วไม่หลงและไม่ไม่ยืดอันนี้ที่ว่ามันถึงอยู่ในธาตอะารจะสารอะไรจะสารเลยไปมันอย่มันก็เป็นเรืองเดียวกันมันจะเป็นอะไรไตามสิ่งนั้นก็คู่แค้วกันอยู่ประมาณนี้วงสมมูลเดยวกันมันปนก็อยนวงสมมูดียกันเมื่อยู่วงสมมูลแล้วการร่างก็แยกกันล้วออก ขูนวันอยาขนาดไหนก็ตงค์งทีอสมมติอันนัมันลมหาก็เป็นอย่างเดไก่รักันอย่างวเพาะไก่รก็ู่สมมติเทนั้นก็อยูสมมติรอนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเรยวเพราะนั่นไม่เดียกว่าไก่รัก รพูดภาพปฏิบัติการว่าภาพปฏิบัติเป็นอย่างนั้นถระจับกระจายอิบัะเป็นหยากไปเรื่อยๆละเอียดละเอียดสุดจะไม่มีอะไรทละเอียดเลยน่นนันอะไรที่เป็ตัพุทธศตร์วิทยาศาสตร์ยเด็ด้านวัตถุ มันมีวัตถุแยกไมได้ตศาสร์ศาสตรยกตั้่วัถุเข้าไปจนมาตั้งถึงนามธรรมมันมีวัตถุก็แยกได้ตศาสตร์มเต่างกันมาิตศาสร์เอาวัตถุไทติตั้งไหมหรือไม่าีวัตถุไที่ต่้งเอาไปแยกได้สังกิจ มันทํนเ่เยอะมากทั้งวัตถทั้งนามธรรมมระกับกันไปเดินนดักเส้นเดียวกันที่ที่มันจะยินในสื่อที่ข่าวหย่ง น, นีดูแปลกอะไรเสื่มพื้นไปไหนไม่ก็นี่ม่ท่านไม่ัน ของเราทุกคนที่เกี่ยวกับการจะเยืยดจะเยีะกันออกทนนั้งความกังวผลผูกพันต่างเป็นที่นำมายทุกน้อยใหญ่มเมื่อเขาเมื่เหมดแล้วมันไม่มีปัญหาสะหรอีกอหานเดิก น, ใ น, ใ น, ใ น, ในครนีเป็นความนันหมายเขาก็มีปัญหาอะไรของเขา ปฏิบัติเพื่อความยีติธรมจริงก็ต้องดาเนินตามที่เคยรัฐบามาย่างนันเพราะเปทางที่ตรงแนวต่อความจริงทั้งหลายแต่สิ่งที่เราไม่ปรารถนาสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นข้าศึทั้งสง้ที่กลับมาเป็นฤกษ ควาสมส้อัญทั้งตนการเป็นคุณโดยการพันทั้งตนถ้าเพื่อเย่ยมทาลายเกียรติยานและการดำเนนของเราไปอยู่ในขนาเดียวกันขนาดเดียวกันนะโดยไม่รู้สึกตัวนี้ต้องพันมากนะที่ว่าไปมันขอเคไหมล่ะมันแทรกอยกับจิตเลยไปมัน มันไม่ใหญ่ขนาดนั้นแทกแสกแต่มันก็ไม่พ้นสิ่งที่ละเอียดกว่ากันสามารถที่จะรู้เท่าทพันกันได้เรคือสติปัญญาสติปัญญานี่มันเข้าขั้นละเอียดแล้วมันกระจายจนนั่นก็เรียกว่ามหาสีมหาปัญญาปัญญายานะไปนน่งยานอุตตปาฏิย์ทชาวอุตปาริย์ปัาอุปาฏิ์ งานนาปาขึ้นก่อนนี่ทำมันเหมือนกันท่านท่านเรียกทำไว้ก็คือตาม่างกันิดไปเคือละเอียดแต่ละเอียดแลต่างกันไปนิดๆเอาเป็นลำยวเหมือไม่มีการเปลี่ยนสภาพอย่นี้ก็ไม่ว่างานนางูปาเป็นงานูรปาแถวูปาีอโกูปาีไม่พูดมีพราะความละเอียดแนีมคงของพุถัเจ้านี้ ลักษณะอะไรอะไรที่แยกไว้บอกไว้หมดเลยตัอยา่างมรรคผลสิ่พันใครจะไปแยกได้ถ้ามันจะพระอรหันต์ใครจะไปชาติได้ไมันจปพระอรหนันต์เรามาอ่านอ่านกันอ่างนั้นเลย ม, มกกรรคกับผลมรรคสี่ผลสีเนี่ย่งพันอ่างต่าง นี่คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงแยกงั้นผู้ที่จะรู้ตามนี้ ไ, ได้ก็คือพระหลานตอนนั้นถ้าเคยได้กล่าวเสมอว่าถ้าทิวพุทธเล้าแยกออกไป น, นิพพานหนึ่งนั้นก็เพราะความเป็นจากกดาทรงแสดงไว้เต็มนื้อเต็มหน่วยหากว่าไม่ต้องแสดงไว้อย่างนั้นเลยนะจะถูกจริงไม่ถูก ว่าทูนถามองค์ไดองค์หนึ่งจะต้องทูนถามแน่ตเมืส่วนอันหนึ่งที่นอกจากมักสีพุนสีไปนั่นพระองค์ไม่เห็นแสดงไว้นั่นคืออะไรนั่นแหละที่ว่านี้พันช่วยจะดีมากไปจิตที่จิตยิ่งผ่านแยกเดียวเท้งนี้ก็เป็นนิพ่างขึ้นมาขนาดจิตที่เป็นจาดิมาร นั่นท่านเรียกว่ามัดสี่พุนสีกําลังทํางานต่อกันยังไม่ยุติพอขนาดน้ำขึ้นลงไปดับลงไปทั บ, อ, บอันนี้ก็สมบูรณ์เป็นนิพันธ์ขึ้นมาหมดกิริยาอันนี้ิพันธ์นั่นพระองค์ก็สแสดงเลยแสแดงว่าใก็ตามถ้ามันแค่ปัญหาไมนมีใครรู้เหมือนเราเรียนไปยมันไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดเพราะมันเป็นความจํา พอความคิงเข้าถึงใจตัวเองปัาบเทนั้นมันก็วิ่งถึงกัน เ, เนี่ยจีวนันนัตติเส ย, ยุวะปาติยุพระพุทธเจ้าธรรมาถึงเทวะองค์สุดท้ายมันมีคำว่ายิ่งอย่างกันในภูมิความบริสุทธิ์นี่เป็นธรรมคือธรรมชาตินั้นพระพุทเองอันเป็นวาสันติกิโกท่ท่า น, นแสดงไวม้มากกี่ผลสีนิพพานหนึ่งก็แสดงไว้ ตามความจริงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติั้งหลายได้พิจนานรณาแต่เวลาเข้าไปถึงตวจริงจริงแล้วเป็นพระรานเท่านั้นเองที่จะเข้าถึงและที่จะรู้ความจำแนกหม่รู้เราจากการอย่างนี้ไม่มีทางรู้ได้ในความจริงนั้นทำพระพิกา้กามว่าได้ 2,500 กว่าปีน ก็ต้องคิดเป็นการเป็เวลาบ่มม่นมาแล้วใความจริงจริงก็อยู่กับจิตนี่เวลายังรู้ไม่ได้มันก็ปิดอยู่ที่จิตนี่สิ่งที่เปิดก็เปิดที่นี่ให้รักเปิดกันออกก็เปิดที่จิตมันมีการจสถานที่เวลาองเวลาเพราะว่าที่กับที่จิตเวลากับขนาดที่มันผ่านกันไม่รู้กันมันอยู่ที่นี่มันไปอยู่เวลาน้องๆสองพันสามพัน ปีเดือนโน่นที่ไหนอยู่ที่นี่อันาที่สอนอย่างทันสมัยสุภ า, าษะตธรราสอนเราการได้ชอบชอบเอาตรงนี้เอาตรงนี้นะนะให้เอาตรงนี้แก้ตรงนี้มืดอยู่ตรงนี้แก้ตรงนี้แล้วมันเปิดขึ้นอโลโคดปาดิยคํนะาว่าสว่างโลกขึ้นมาสว่างที่ตรงนี้งานงอุปปาเนี่ยซึ้งเข้าไปความรู้อันนี้จะว่าซึ้งเข้าไปนั่นอาจจะไหวงานางอุปปา ปัญญาอดปานนี้ก็หมายถึงริยาของผิดที่มันยิ่งดความเชื่อเถื่สลัดแหลมคมยืรวดเดียวของตนั่นยั่ๆๆๆ่นยวิชานีก็คล้องไปแล้วมันก็เป็นตู้พูดถึงว่ายากออกมาก็อยากออกมาเว่าวิชาอาโรโค่ก็แสดงจ้า้งหมดเนี่ยก็เป็นความอยากมาจากชิตเจ้าตามศิยา อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อการอิโกอาการอิโกทั้งจิตตัวทั้งกิเลสทั้งธรรมเป็นอาการิโกเหมือนกันนเห็นไม่ได้นิยมมาหมื่นมาแฉ่งวัดมันนั่นเดือนนี้จะช้าที่นั่นที่นี่จะไห น, นติดแ น, น่เราผิดปิดอยู่ที่ให้หมื่นอยู่ที่เปิดเปิดกันที่นี่รูปร่างกันที่นี่ ที่การานคือที่หนสำคัญที่การเราทำเท่าไหร่นั้น้วยะ